เจ็ดปฐมมอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้อาสวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามาสองภาวะ อาสวะคือภพสาอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดอาสวะทำเป็นที่ดับอาสวะ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพานแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้และทมมะอาสวะสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยะอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะสูตรที่สอง แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสะวะสามประการนี้อาสะวะสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งกามาสะวะวสองภาวสวะสอวิชชาสะวะภิกษุทั้งหลายอาสะวะสามประการนี้แหละ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้สิ้นกามาสะวะและภวาสะวะสำรอกอวิชชาได้แล้วมีจิตหลุดพ้นเป็นผู้หาอุปธิมิได้พิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยอาสวะสูตรที่8จบ 9. ตันหาสูตรว่าด้วยตันหาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตันหาสามประการนี้ตันหาสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กามตันหาสองภวะตันหาสามวิภวะตันหาพิกสุทั้งหลายตันหาสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายผู้เขี่ยข้องด้วยโยคะคือตันหามีจิตยินดีในพบน้อยและพบใหญ่เป็นผู้ติดข้องด้วยโยคะคือบ่วงมาน ไม่มีความเกษเสมจากโยคะสัตว์เหล่านั้นย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเข้าถึงชาติและมรณะส่วนชนเหล่าใดละตันหาได้ปราศจากตันหาในภพน้อยและภพใหญ่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าไปถึงฝั่งในโลกแม่เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล ตั้นหาสูตรที่8จบ 10. มาระเยอสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมานแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสารประการย่อมล่วงพ้นบ่วงมานรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ ทำสามประการอะไรบ้างคือพิกสุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศะ่ะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศะ่ะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอาศะพิกสุทั้งหลายพิกสุผู้ประกอบด้วยทำสามประการนี้แลย่อมล่วงพ้นบ่วงมานรุ่งเรืองดุดดวงอาทิต พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้เจริญศีลสมาธิและปัญญาเหล่านี้ไว้ดีแล้วจึงล่วงพ้นบ่วงมานรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์ฉนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมาระเยอสูตรที่สิบจบ ปฐมวักจบรมพระสูตรที่มีเนวรกนี้คือ 1. มูลสูตรสองทาตุสูตรสปฐมเวทนาสูตร 4. ทุติยาเวทนาสูตร 5. ้าปฐมเอสนาสูตร 6. ทุติยาเอสนาสูตร 7. ปฐมอาสวะสูตร 8. ทุติยาอาสวะสูตร 9. ตันหาสูตร สิบมาระเทยยสูตสองทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งบุญยกริยาวัตถุสูตรว่าด้วยบุญยกริยาวัตถุ แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สระดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุญกิาวัตถุสามประการนี้บุญกิาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุญกิาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานสองบุญกิาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล 3. บุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายบุญกิยาวัตถุสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้หวังประโยชน์สุขควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้นที่ให้ผลเลิศติดต่อกันไปมีสุขเป็นกาไรคือควรบาเพ็ญทานควรประพฤติรมสม่เสมอ และควรเจริญเมตตาภาวนาบัณฑิตครั้นเจริญทาสามประการที่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังกล่าวมานี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีสุขปราศจากความเบียดเบียนกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปุญญักยิริยาวัตถุสูตรที่หนึ่งจบ สจกักขุสูตรว่าด้วยจักสุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจากสุสามประการนี้จากสุสามประการอะไรบ้างคือ 1. มังสะจากสุตาเนื้อสองทิพจักสุตาทิพ 3ปัญญาจักสุตาคือปัญญาภิกษุทั้งหลายจักสุสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษได้ตรัสจักสุสามประการนี้คือมังสะจักสุทิพจักสุและปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยม ความเกิดขึ้นแห่งมังสะจักสุเป็นทางแห่งที่พระจักสุเมื่อใดยานคือปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะได้ปัญญาจักสุแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาบพระเจ้าได้สดะดมาอย่างนี้แลจักขุสูตรที่สองจบสอินทริยสูตร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 ภิกษุทั้งหลายอินซีสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าญาในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงกร่อนลำดับต่อจากนั้นอันญรีจึงเกิดขึ้นต่อจากอัญญซีนั้นยานว่าวิมุตติของเราไม่กาเริบ เพราะภาวะสังโยช์สิ้นไปย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลผู้คงที่พระอริยะผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ผู้สงบยินดีในสันติบทพิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สระมาอย่างนี้แลอินทริยสูตรที่สามจบ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 ภิกษุทั้งหลายการสามการนี้การสามการอะไรบ้างคือหนึ่งอดีตการสองอนาคตการสปัจจุบันการภิกษุทั้งหลายการสามการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้สำคัญขันห้าว่าเป็นเรื่องที่พูดกัน ยึดมั่นอยู่ในเรื่องที่พูดกันย่อมดิ่งเข้าหากิเลศเครื่องประกอบของมัจจุราชเพราะไม่กําหนดรู้เรื่องที่พูดกันให้ทองแท้ส่วนพระขีนาศพกําหนดรู้เรื่องที่พูดกันได้อย่างทองแท้จึงไม่สําคัญผู้พูดท่านมีใจสัมผัสวิโมกและสันติบทอันยอดเยี่ยมแล้วนั่นแลพระขีนาศพนั้นชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ที่เกิดจากความกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันสงบแล้วยินดีในสันติบทเป็นผู้พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่เสมอดำรงอยู่ในธรรมเป็นผู้จบเวทจึงไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอัตตาสูตรที่สจบห <5. S 1> ทุจริตสูตร ว่าด้วยทุจริตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทุจริตสามประการนี้ทุจริตสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกายสองวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. ม, มนโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจภิกษุทั้งหลายทุจริตสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลมีปัญญาสามทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษไว้ตลอดไม่ทากุศลกรรมไว้เลย ทำแต่อกุสุลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุจริตสูตรที่หจบ6สุจริตสูตรว่าด้วยสุจริตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไรียสดับัมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสุจริตสาประการนี้สุจริตสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติอชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติอชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติอชอบด้วยใจภิกษุทั้งหลายสุจริตสาประการนี้แหล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาและกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอากุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้วไม่ทำอากุศลกรรมไว้ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุจริตาสูตรที่หกจบเจ็ดโสซเจยสูตรว่าด้วยความสะอาด แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดดบมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้ความสะอาดสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความสะอาดกายสองความสะอาดวาจา 3. ความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้แล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพัน์ดังนี้ว่าผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดไม่มีอาสะวะเป็นผู้สะอาดถึงพร้อมด้วยความสะอาดบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดัะมาอย่างนี้แล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 เป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทุกอย่างแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโมเน ย, ยสูตรที่8จบ 9. ปฐมราคะสูตรว่าด้วยการละราคะสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้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 บุคคลใดละราคะโทสะโมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าไม่ถูกมารผูกไว้ไม่สมบ่วงมารไว้และไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เรียก บ, บุคคลผู้ละราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วว่าเป็นคนหนึ่งในบรรดาท่านผู้อบรมตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไปแล้วอย่างนั้นเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ล่วงเวรและภัยเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพระธมมราคะสูตรที่เก้าจบ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 ยังข้ามทะเลที่มีคลื่นมีระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุนีและราคะโทสะโมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าข้ามทะเลที่มีคลื่นมีระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก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 ละทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับไม่ถึงการนับลวงมจุราชให้ลงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยราคะสูตรที่สิบจบทุติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปุญญกิริยาวัตถุสูตร 2. จากขุสูตร 3. อินทริยสูตร 4. อัฐาสูตร 5. ทุจริตสูตร 6. สุจริตสูตร 7. โสเจยสูตร 8. โมเนยสูตร 9. ปฐมราคะสูตร 10. ทุติยราคะสูตร 3. ตาติยวัคหมวดที่สมหนึ่งมิชชาทิทิกสูตรว่าด้วยผู้มีความเห็นผิดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรคำที่ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมนุทุจริตกล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนั้นเราหาเดืยอกล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณนะหรือพราหมณ์อื่นๆไม่ภิกษุทั้งหลายที่แท้แล้วเรารู้เองเห็นเองทราบเองทั้งนั้นจึงกล่าวคำนี้ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวัจจิทุจริตและมโนุทุจริตกล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ผิดกล่าววาจาผิดทำการงานทางกายที่ผิดมีความขนขวายน้อย ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้เขามีปัญญาสามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลมิชชาทิทิกระสูตดที่หนึ่งจบ 2. สัมมาทิฐิกระสูต ร, ร, ร, ตรว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบ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 จึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานทางกายที่ชอบมีความขนความมากได้ทำกรรมอันเป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้เขามีปัญญาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล สัมมาทิฏฐิกระสูตรที่สองจบสนิสรณียสูตรว่าด้วยถ้าที่มีคุณสมบัติสลัดออกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าเป็นที่สลัดออกสามประการนี้ถ้าเป็นที่สลัดออกสามประการอะไรบ้างคือ 1. นเนคข ม, มะธาตุเป็นที่สลัดละกามทั้งหลาย 2. อ, อรูปธาตุเป็นที่สลัดละรูปธรรม ท, ทั้งหลาย 3. นิโรธาตุเป็นที่สลัดละธรรมชาติที่เกิดแล้วถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายถ้าเป็นที่สลัดออกสามประการนี้แล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ชัดธาตุเป็นที่สลัดกามออกและธาตเป็นเหตุล่วงพ้นรูปธรรมแล้วสัมผัสภาวะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงตลอดกาลภิกษุนั่นแหลเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพ า, านธาตุนั้นจึงชื่อว่า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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งนิโรธจะต้องกลับมาเกิดอีกส่วนสัตว์เหล่าใดกําหนดรู้รูปธาตุได้แล้วไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตอยู่ในนิโรธ สัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพลม จ, จุราชไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะาธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกายทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเคแห่งความสลัดคืนอุปธิผู้หาอาสวะไม่ได้ทรงแสดงบทที่ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีไว้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่ามารดาบิดา 2. อนุชาตาบุตรบุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยมารดาบิดา 3. อวาชาตาบุตรบุตร ท, ที่มีคุณสมบัติต่ำกว่ามารดาบิดาอติชาตาบุตรเป็นอย่างไรคือมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจา้าเป็นสรณะไม่ถึงพระธรรมเป็นสรณะไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่งดเว้นจากการพูดเท็จไม่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีนมีทารรเลวซามส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะถึงพระธรรมเป็นสรณนะถึงพระสงฆ์เป็นสรณนะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอติชาตบุตรเป็นอย่างนี้อนุชาตบุตรเป็นอย่างไร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 อันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่ถึงพระธรรมเป็นสรณะไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่งดเว้นจากการพูดเท็จ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 บัณฑิตย่อมปรารถนาอติชาตบุตรและอนุชาตบุตรไม่ปรารถนาอาวชาตบุตรซึ่งมีแต่ทำลายวงตระกูลบุตรสามจำพวกนี้เท่านั้นมีอยู่ในโลกนี้ส่วนบุตรผู้เป็นอุบาสกถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีย่อมรุ่งเรืองในหมู่บริษัทเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปตตสูตที่ห้าจบ 6. อาวุธิกสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยฝน แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตก 2. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วน 3. บุคคลผู้เปรียบเรื่อยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปบุคคลผู้เปรียบเรื่อยฝนไม่ตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์คนยากเข็นคนหมดสเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานทุกหมู่เหล่า บุคคลผู้เปรีบรยบด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างนี้บุคคลผู้เปรีบรยบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีกแก่สมณนะพราหม์คนยากเข็นคนหมดเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานบางพวก แต่ไม่ให้แก่คนบางพวกบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วนเป็นอย่างนี้บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะพราหมณ์คนยากเข็นคนหมดสเสบียงทาง คนเร่ร่อนและคนขอทานทั่วทุกหมู่ทุกเหล่าบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลได้พบสมณนะพราหมณ์คนยากเข็นคนหมดสเสบียงทางคนเร่ร่อน และคนขอทานแล้วไม่ยอมแบ่งข้าวน้ำและเครื่องใช้สอยอื่นๆให้ปัญญาชนเรียกคนต่ำซามใจแคบเช่นนั้นว่าเป็นผู้เปรียบเรื่องฝนไม่ตกบุคคลไม่ให้ข้าวน้ำเป็นต้นแก่สมณะพราหมณ์เป็นต้นบางพวกแต่ให้แก่บางพวกปัญญาชนเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้เปรียบเรื่องฝนตกในพื้นที่บางส่วน คนที่เขาออกปากขอได้ง่ายชอบช่วยเหลือคนโดยทั่วหน้ามีใจเบิกบานแจกจ่ายสิ่งของปากก็พูดแต่คำว่าจงให้จงให้ใหบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนอย่างนั้นรวบรวมทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมนำมาเลี้ยงวั น, นิพกผู้มาถึงให้อิ่มน้ำเดือกข้าวและน้ำเหมือนเมฆฝนส่งเสียงร้องคารามทาให้ฝนตก จนน้ำไหลนองเต็มทั้งที่ดอนและที่ลุ่มฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหลอาวุธิีกะสูรที่หจบ 7. สุขปัทนาสูตรว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุขแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าเดียสดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการนี้พึงรักษาศีลความสุขสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งเมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสันเสริญจงมาถึงเราพึงรักษาศีลสองเมื่อปรารถนาความสุขว่า ขอผู้สมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราพึงรักษาศีล3มเมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พึงรักษาศีลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการ น, นี้แลพึงรักษาศีลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แลในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า นักปราดเมื่อปราถนาความสุขสามประการคือความสันเสริญการได้ความปลืมใจและการตายไปเกิดในสวรรค์พึงรักษาศีลบุคคลแม้ไม่ทำบาปแต่ยังคบคนทำบาปก็ต้องถูกระแวงสงสัยในบาปเรื่อยไปและได้รับคำตำหนิติเตียนมากมายบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทคนเช่นใดเขาก็เป็นเช่นคนนั้น เพราะการอยู่ด้วยกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วเมื่อมาคบมาเกี่ยวข้องกับคนดีทั่วไปหรือคนดีหลงไปคบไปเกี่ยวข้องเข้าย่อมพลอยทำให้คนดีแปดเปื้อนบาปไปด้วยเหมือนลูกสอนอาบยาพิษถูกยาพิษแปดเปื้อนแล้วย่อมทำลายแล่งลูกสรที่สะอาดให้แปดเปื้อนไปด้วยฉะนนั้นเพราะกลัวการแปดเปื้อนบาปผู้มีปัญญาจึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเลย ใบหญาคาที่คนนํามาใช้ห่อปลาเน่าก็พลอยเหม็นเน่าส่งกลิ่นคลุ้งตามไปด้วยฉันใดการครบคนผ่านก็ฉันนั้นใบไม้ทั้งหลายที่คนนํามาห่อกฤษศนาก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งตามไปด้วยฉันใดการครบบัณฑิตก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนดุดใบไม้ที่ใช้ห่อแล้วไม่ควรครบอาศะบุรุษ ค, ครคบแต่สัตบุรุษเท่านั้นเพราะว่าอาสัตบุรุษย่อมชักนำให้ตกนรกส่วนสัตปบปุรุษย่อมชักนำให้เข้าถึงสุคติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุขปัฒนนสูตรที่เจ็ดจบ